อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัรุณเหมือนเช่นเคยนะคะหลังจากที่พบกันเมื่อเช้าเมื่อวานนี้คือวันเสาร์ที่29วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนปี 2,557 ค่ะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายเป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่ห้า ของเดือนพฤศจิกายนซึ่งวันนี้ก็เป็นวันขึ้นเก้าข้ามเดือนหนึ่งปีมะเมียนะคะขอนําท่านผู้ฟังมากราบนำ้ำสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูล์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับอรุณและท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการรีกเลลนปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกกันเลยนะคะกราบนำ้ำสการ์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเฉดพัน ค่ะทูเจ้าค่ะช้าเมื่อวานวันเสาร์นะเจ้าคะ่ะเราตอบปัญหาของคุณมาลีเกี่ยวกับเรื่องนั่งสมาธิแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมานะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยวันอาทิตย์นี้ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของสมาธิเหมือนกันเจ้าค่ะดีมายม<ง>คิดว่าความรู้จะต่อเนื่องกันนะเจ้าคะ่ะผู้ถามคือคุณปรีชาบุญพักดีเจ้าค่ะคุณปรีชาก็ถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิมาว่าอยากจะทราบว่าถ้าเรานั่งสมาธิจนจิตไปนิ่งขั้น อับปนาสมาธิแล้วจิตนิ่งเฉยเฉยไม่สามารถพิจารณาแล้วก็ไม่เกิดปัญญาเนี่ยเคยมีผู้รู้ตอบว่าต้องให้จิตเนี่ยมาอยู่ในขั้นอุปาจารสมาธิแล้วถึงจะพิจารณาได้อันนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะแล้วก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลยพิปุโนได้แนะนำด้วยว่า ถ้าจิตไปนิ่งอยู่ที่อัปนาสมาธิแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรต่อไปดีเจ้าค่ะหลังจากนี้แล้วเจ้าค่ะม <Okay. S 1> ิมนเจ้ า, าค่ะอคําอธิบายส่วนที่เรียกว่าเป็นอุปจชฌลสมาธิอัปนาสมาธิหรือว่าอี ก, อ, กอีกคําหนึ่งที่เขาอาจจะได้ยินกันนันคือคณิกาสมาธิเจ้าค่ ะ, ะนี่คือเป็นคําอธิบายที่มาในคมภีร์อถ้าตมาจะไม่ผิดจะเป็นวิสุทธิมักในวิสุทธิมักที่เขาจะมีการอธิบายเรื่องของสมาธิ สระดับคณิกะ ก, ก็คือนิดๆหน่อยๆป๊อปปแป๊บแป๊บถัดมาก็อุบาชะระอุบาชะระนี่ก็คือเป็นฐานมั่นคงได้เพิ่มขึ้นยังมีความคิดนั่นนี่โน่นอยู่นะคิดพิจารณาอะไรได้ถนะัดมาก็เป็นลักษณะของอัปปนานะซึ่งอัปปนานี้ก็เขาอธิบายกันว่าเป็นความเป็นสมาธิที่ชนิดที่เรียกว่าแบบแน่วแ น, แน่นิ่งไ ม, ไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้รู้สึกได้ได้อะไรทั้งสิ้นเลยเป็นลักษณะของอัปปนาสมาธิอันนี้คือสิ่งที่มาใน วิสติมักทีนี้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพุทธเจ้าสอนฌานสมาธิอยู่ไล่กันเป็นไปลำดับอยู่ทั้งหมดแปดขั้นด้วยกัน9ขั้นด้วยกันเก้าขั้นก็คือขั้นที่1นึ่ก็ฌานที่1นึขั้นที่2องก็ฌานสองฌานสฌานสี่นี่คือ4ขั้นแรกโดยอาศัยอะไรก็โดยใช้รูปโดยอาศัยกายเป็นฐานที่ตั้งให้การที่จะเอาใจเราไปจดจ่อการที่เราอาใจไปจดจ่อสักอย่างไดอย่างหนึ่งเช่นที่ลมหายใจหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นกายเนี่ย มันก็จะเป็นที่ทําให้เกิดสมาธิสี่ระดับประเภทนิแรกนี้ได้แตนะ่ถัดมา ก, ก็เรียกว่าเป็นขั้นอหารูปแต่เป็นขั้นอรูป ก, ก็คือผ่านการที่จิตนั้นจะไปไปรับรู้ทางด้านรูปไปแล้วแตนะ่ก็คือมันละเอียดลงละเอียดลงแล้วยกตัวอย่างเช่นว่าเราสายยางมาเส้นหนึ่งนะสายยางต่อท่อน้ําเนี่ยนะะแล้วก็เสียบกับก๊อกไว้นะอปลายสายอีกข้างหนึ่งก็ต่อไปกูจะไปทําอะไรกต่อไปใช่ไหมปรากฏว่าถ้าเผื่อว่าสายยางงเราเนี่ยมีรูรั่ว นีรูรั่วนะนะมันน้าที่ออกที่ปลายสายก็จะไม่แรงใช่ไหมเราอุดรูรั่วให้หมดอุดรูรั่วให้หมดน้ําที่ออกที่ปลายสายก็จะเท่ากับน้ําที่เข้าใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าเร า, เราน้ํามีกระแสแรงอ่าใช่ใช่กระแสแรงอันนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับการที่จิตของเราเนี่ยไม่ไปแบบคิดนั่นคิดนี่คิดน้อนไปออกทั้งนั้นไหลออกทั้งนี้นะจิตที่มันมารวมกันจดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งมันก็มีพลังขึ้นมาแจ่มใสสว่างขึ้นมา นี่ก็คือเปรียบเทียบบางเช่นบางทีคุณก็ไปคิดเรื่องคนนั้นเดี๋ยวจะกินอันนี้เดี๋ยวจะว่าคนนั้นเดี๋ยวจะต่อหาคนนี้จิตตัง่งนี้คือเหมือนกับมีรูรั่วบนสายยางเอาอุดตรงนั้นให้หมดอุด่าคิดนั่นคิดนี่เอาอุดอุดอนะไม่ลออกไปความเวทนาอะไรต่างๆก็ไม่มีละอุดไว้อุดไว้นะมันก็มาจ่อยู่ที่เดียวก็จะมีกําลังแรงแล้วยิ่งถ้าเราทํำปลายสายยางให้มันเล็กลงเท่าไหร่นยิ่งเล็กลงเท่าไหร่เนี่ยน้ํายิ่งแรง ยิ่ง<ช>พุ่งไปไกลนเช่นเดียวกันไอการที่จิตมารวมลงยิ่งเล็กยิ่งเล็กเนี่ย น, นี่คือการที่จิตยิ่งมีกําลังมากเราก็เรียกรวมลงละเอียดลงนะการที่รวมลงละเอียดลงตัวนี้ก็ต้องมีที่ที่จะต้องเอาใจมาจดจ่อเอาใจมาจดจ่อให้มันอยู่ที่เดียวนะให้มัน<ช><ช>รวมลงเล็กลงอย่า ง, างเช่นแสงเลเซอร์แสงเลเซอร์นะ อ, <ๆ S 2> นะอะก็คือการที่เขาอัดแสงให้แน่นจนกระทั่งสามารถใช้ในการผ่าตัดได้ ตัดสิ่งต่างๆได้ทําเป็นอาวุธแรงต่างได้กบเพราะความเข้มข้นของมันอืมเจ้าค่ะก็คือความเข้มของของแสงสูงนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะโยมขอย้อนถามนิดนึงนะเจ้าค่ะเพื่อความเข้าใจของท่านผู้ฟังทางบ้านเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าในการทําสมาธินั้นเนี่ยเราก็จะอาศัยกายใช่ไหมเจ้าค่ะกับไม่อาศัย เมื่อสักครู่พระอาจารณ์แนะนําแล้วว่ากายอย่างเช่นอนาปานสติก็มาอยู่ที่ลมหายใจก็คือจากรกายเราถูกไหมเจ้าคะส่วนกายอย่างอื่นนี่อาจจะหมายถึงบางสถานที่เขาจะสอนให้เอากายเอาจิตไปอยู่ที่ท้องยุบหนอพองหนออย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะหรือมาไว้ตรงกลางอกอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็จะมีหลากหลายวิธีอาศัยกายเจ้าคะกายอย่างอื่นเช่นกระดูกเช่นหนังผมโขนพวกนี้ได้ทั้งสิ้น อันนี้ก็ว่ากันไปในะ อ, อัน<า>หนึ่งตัวอย่างหนึ่งเช่นว่าเราใช้แว่นขยายรวมแสงแตนะถ้าเราปรับจุดโฟกัสให้ยิ่งเล็กลงจุดรวมแสงอนะไรคุณเตอรจัยนะยิ่งให้มันเล็กลงเล็กลงเท่าไหร่เนี่ยพลังงานของแสงแดดที่มารวมอยู่ตรงนั้นยิ่งมีพลังมากแตถ้าไม่แน่ใจว่าคุณใจอาจจะได้เคยทําการทดลองนี้สมัยเด็กๆที่เขาจะเอาแว่นขยายตอนเด็กๆทำเจ้าค่ะทำเจ้าค่ะเขาจะเอาแว่นขยายมารวมแสงใช่ไหมจุดหัวไม่ขีดหรือว่าเผากระดาษ จุดไฟได้เลยใช่มาจําได้สมัยเด็กๆเนี่ยเราก็เอามาเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนเป็นชื่อเราแต่ว่าใช้ใช้ไอ้นี่แหละใช้แว่นขยายส่องแสงแดดนี่แหละนมากัดกัดกระดาษคือเผากระดาษอะให้มันสะกดเป็นชื่อเราขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหแสงมีพลังขนาดนี้นะเพราะว่าการที่มันมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันเจช่ค่ะนี่ก็คือเหมือนกับจิตนั่นแหละจิตที่ถ้ามารวมเป็นอารมณ์อันเดียวความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนี้ นี่แหละเรียกว่าเป็นสมาธิยิ่งถ้ามันรวมเล็กเข้าเท่าไหร่เล็กเข้าเท่าไหร่นะรวมลงมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่ละเอียดลงเท่าไหร่เท่าไหร่มันยิ่งจะมีกําลังมากเท่านั้นเท่านั้นมีพลังมีพลังถูกต้องถูกต้องแล้วถามว่าความต่อเนื่องตรงนี้ยิ่งมากก็ยิ่งดียิ่งมากก็ยิ่งดีคือคือบางคนอาจจะรวมลงแปบเดียวแป๊บเดียวเป็นเอ๊ะตะกี้มันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้แปบเดียวแต่คือมันก็พลังไม่มากอะเอาสมมติว่าถ้าคุณปรับระยะโฟกัสของ เบนกระยาให้ดีแต่ว่าแป๊บเดียวเนี่ยมันไม่พอที่จะเผาได้แต่ถ้าบอกว่าให้มันระยะเวลาสักอันหนึ่งบางทีผิวหนังเราพองขึ้นเลยแ้ว ม, มาโดนหนังเราเพราะฉะนั้นแต่ถ้าแป๊บเดียวแค่เซี่ยวนาทีมันแทบจะไม่รู้สึกต่อให้ถูกจุดโฟกัสก็ตามน ะ, ะเพราะฉะนั้นไอ้ความแป๊บเดียวหรือว่าต่อเนื่องนี้ก็มีผลมีผลเพรา ะ, ะนั้นที่ที่เขาพูดถึงคณิกะคือแป๊บเดียวมันก็มีกําลังน้อยแต่ถ้ามันต่อเนื่องมันก็ยิ่งดีมีกําลังมาก ทีนี้ถ้าเราข้ามล่วงจุดที่ละเอียดไปกว่านี้ก็ละเอียดไปกว่านี้ก็คือมันไม่ใช่เรื่องของกายละไม่ใช่เรื่องของรูปละไม่ใช่เรื่องของฮาร์ดแวร์ละไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่จะจับต้องได้ละอืมตอนนี้จะเป็นอะไรต่อไปอันนี้เรกวาอยากจะทราบแล้วจ้ะค่ะเขาเรียกว่าขั้นอารูปขึ้นไปแล้วก็บอกว่าข้ามล่วงไอสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปทางกายได้ละเอียดไปกว่านั้นอีกละเอียดไปกว่านั้นเช่นความว่างว่างความว่างนี่มันเป็นยังไงคุณเตือนใจ อืมอเนยโยมอยากถามท่านผู้ฟังหลายท่านก็อยากรู้เ <c oughs> จา้าค่ะความว่างมันจะเป็นอะไรได้แล้วมันก็ก็เป็นความว่างอ่ะคุณเใจจะอธิบายไงมันไม่มีเฉยเหรอเจา้าค่ะว่างไปเลยคือไม่ใช่รูป <c oughs> ไม่ใช่ลมไม่ใช่อะไรแต่มันว่าง <c oughs> นะคือมัน <c oughs> มันว่างนะคือถ้าสมมุติห้อ ง, งนี้มีข้าวของตน้ตรงนี้เอาเอาข้าวของเอาไปให้หมดมันว่างคือมันไม่มี <c oughs> อะไรที่จะให้ให้เอาให้มันไปพูดถึงอนะเจ้าค <c oughs> นะ่ะถ้าละเอียดลงไปกว่านั้นนะก็พูดถึงวิญญาณ ละเอียดต้องไปกว่านั้นวิญญาณนี่ละเอียดนะคุณใจวิญญาณนี่คือคือสภาวะจิตที่มันละเอียดกว่าเรื่องของกายใช่ไหมเจ้าค่ะสมมุติถ้าเราพูดถึงเรื่องที่เป็นนา ม, มาทําเช่นความคิดอย่างเงี้ยคุณจะอธิบายไงความคิดเป็นยังไงอ่ะ ค, คื อ, คอมันเป็นความมันก็เกิดขึ้นจากกายของเราเจ้า่ะมันมันก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นนามมธรรมเข้าไปอีก ค, คือมันไม่ใช่เรื่องของกายแล้วนะอืมเจ้าค่ะครันนี้ก็จึงพูดถึงว่าส่วนที่เป็นอรูปสัญญาสมบัติขึ้นไปขึ้นไป อันนี้คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ขั้นสูงๆท่านทำได้ใช่ไหมเจ้าคะโอ้นี่ต้องเป็นคนที่มีความสามารถมากนะคุณแต่ใจใมาว่าคือคนที่จะได้สมาธิเลยสี่ขั้นแรกไปถึงอีก4ขั้นหนึ่งนจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดเลยเนี่ยเรียกว่าสัญญาเวทายตะนิโรธเนี่ยผมเป็นคือต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตมาก แต่ต้องมีความละเอียดมากความรอบคอบความสังเกตสังกาสติสมาธิโอ้ขอ้อปฏิบัติต่างๆท่านต้องเนียบสีนอะไรต่างๆพวกนี้ต้องทํามาอย่างดีทุกอย่างต้องเกี่ยวเนื่องกันอาหารทั้งกินยังไงโหมันหลายอย่า ง, งหลายาอย่างนะเสร็จทุกถึงทําได้เสร็จแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นไหนก็แล้วแต่นี่คือที่อาจารย์มาต้องการจะเน้นสำหรับกรณีคำตามคุณปรีชาก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นไหนก็แล้วแต่นะตั้งแต่ขั้นที่1จนถึงขั้นที่8และขั้นที่เกก็ตาม พระพุทธเจ้าบอกว่าสามารถที่จะเป็นบาดฐานในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงได้ในการที่ะจะเจริญวิปัสสนาได้ในในการที่จะใช้ในการที่จะก้าวลงสู่นิพพานได้เอาว่า ง, ง่ายๆเถอะแต่คือไม่ใช่เราจะบอกว่าเฮ้ยสมาธิแบบนี้ไม่ได้ได้เฉพาะสมาธิแบบนี้เฮ้ยเราพูดไม่ได้หรอกเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยแม้แต่ภิกษุนั้นหลายๆรูปที่เขามาบวชภายหลังเนี่ยคือเขาเาเป็นฤๅษีมาก่อนอย่างเงี้ย มีความ <Okay. S 1> เชี่ยวชาญทางนั่นจิตมากน่ะประพฤติพรบพะบําเพ็ญตาบะมาอย่างดีอ่าพอได้ยินว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเฮ้ฉันก็ยังไม่บรรลุนะเราไปถามดูพระพุทธเจ้า ว, ว่าอย่างไงน่ะพวกนี้มีมสมาธิฉันที่เรียกอรูปสัญญาล้วน่ะคืออารูปฌานละน่ะสมาธิเขาสูงมากนะโอ้โหคงจะลึกกว่าอปนาว่างั้นเดน ะ, ะดแล้วเขามีความเชี่ยวชาญทางจิตมาราจิตตัวเองคิดอะไรใหม่คิดอะไร เดีนะ๋คือคือคนที่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรไม่คิดอะไรเนี่ยมันดีมากนะคุณใจคือบา<ช>งคนเนี่ยก้าว<ช> <9 S 1> ข้ามธรณีประตูเข้ามาอในกุฏิอย่างเงี้ยตัวเองตัวเองยังไม่รู้เลยตัวเองคิดหรือไม่คิดอะไรอะก็งงๆเลยทำไมตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองคิดหรือไม่คิดอะไรอืมเจ้าค่ะเออคือบางทีบางคนมันเผลอขนาดนั้นเจ้าค่ะถ้าเราฉลาดในวรรจตของตัวเองเนะ่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องทางจิตนะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดความคิดแบบนี้ดีไหมดีคิดไหมคิด สามารถที่จะมีอํานาจเหนือจิตนจะคิดเรื่องในก็คิดได้ไม่คิดเรื่องใดก็ไม่คิดได้แล้วเนี่ย น, นี้คือมีพลังจิตมากแล้วอันนี้นะอย่างที่พระพุทธองค์ทรงทําได้ใช่ไหมคะใช่ใ ช, <ะ>ใช่แล้วก็สาวกห ล, ลายท่านก่อนที่จะมามาบวชเนี่ยท่านก็มีความสามารถทางด้านพวกนี้ด้านสมาธิสูงสูงหลายท่าน <Okay. S 2> เช่นท่านพระพาหิยะเท่านพระมหากัสปะอย่างเงี้ยนะมีสภาวะทางจิตที่ขั้นสูงขั้นสูง <Okay. S 2> พระพุทธเจ้าก็ยกย่องอยู่ <Okay. S 2> แล้วก็ หลังจากนั้นท่านมาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไอ้สมาธิคุณทำวันนี้ลึกเกินไปไม่ดีไม่ใช่ไม่เคยพูดเลยนะไม่เคยจะตรัสว่าลักษณะว่าสมาธิขันนี้ดีขันนี้ไม่ดีน ะ, ะจะจะเสริมเติมให้แนะจะเสริมเติ ม, มให้ว่าทําสมาธิได้ขันนี้ดีแล้วแล้วยังไงต่อนะให้เห็นอย่างอย่างกรณีที่บูดถึงคนที่มีสมาธิสูงมากๆนะก็ให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยิน แต่รู้สึกจากแต่ว่ารู้สึกลักษณะ น, นี้ก็คือนี่ก็เป็นวิปัสสนาของท่านค่ <Okay. S 1> ะก็คือเป็นบาตฐานในการที่จะเจริญวิปัสสนาได้ทั้งหมดได้ทั้งหมด mm hmm. ไม่ว่าจะขั้นต้นๆขั้นต้นๆจะยังมีความคิดอยู่แต่ว่าไอ้เจ้าความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเล่าออกมาแล้วนะเหลือแต่ความคิดที่ดีๆไอ้ความคิดที่ดีๆบางทีมันมีอาพาธไปคิดไม่ดีบ้างก็อาจจะมีหลุดๆเผลอๆมีอาพาธป่วยบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอย่างดีอยู่ <Okay. S 1> แบบนี้ ก็เป็นบาดานในการเจริญวิปัสนาบาดานในการที่จะก้าวลงสุนิพานได้หรือ <okay. S 1> สูงขึ้นไปเลยสูงขึ้นไปถึงขั้นก้าวไปนู่ น, นคือสัญญาเวทายิตานิโรธอย่างเงี้ยคือจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่สัญญาแล้วก็เบญจนาเลยขึ้นไปอีกดับไปอีกคือถ้าจะมีหรือไม่มีเขาเรียกว่าเนวะสัญญานาะสัญญายตนะ <Okay. S 1> นะแต่ถ้าไม่มีดับไปแล้วแน่นอนเนี่ยก็คือสัญญาเวทายิตานิโรธคือเป็นสมาธิที่สูงขึ้นไปเลยละ่ะ <Okay. S 1> ขั้นสูงมากๆ อาจารย์ช่วยเมตาชี้แจงตรงนี้นิดเด้ไหมคะว่าที่ว่าสูงขึ้นไปจนไม่รู้สึกอะไรเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรเจ้าคะที่ว่าท่านผู้ฟังอยากทราบเจ้าคะเอาแค่ okay. ว่าอย่างกรณีที่ท่านผู้ฟังฟังรายการนี้ไปอยู่ใช่ไหมแล้วก็จิตก็จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราฟังอย่างเดียวไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นหละ่ะจะจะทำอะไรกินจะจะโทรหาใครหรือว่าวันนี้จะทำอะไรอาจจะวบๆบแวบๆโอเคไม่เป็นไรดีเราเราทำได้อย่างนี้คือจิตเรามีความคิดที่เป็นกุศลและต่ำถูกไหม แต่ความคิดชนิดที่เป็นกุศลธรรมเนี่ยเป็นบาดาลในการเจริญวิปัสสนาได้แต่ในความคิดลักษณะสมาธิแบบนี้จิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวแบบนี้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ในนี้หมดรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ในนี้หมดแต่เวทนาคือความรู้สึกแตเราจะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่เป็นทุกข์ก็เป็นสุขถ้าไม่เป็นสุขก็ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่ใช่ทุกข์และทั้งไม่ใช่สุขก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขใช่ัหมแล้วก แต่ความ<ช>หมายรู้คุณยังคิดตามไปด้วยอยู่อ้อใคร่ครวนตามไปอันนั้นเป็นสัญญาก<ช>าร<ช>ที่คุณคิดใคร่ครวนตามไปปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นสังขารอาวจิตเรามารับรู้ตรงนี้แหละนั่นก็เป็นวิญญาณอนะแล้วการที่เราหู่มันมีเสียงนี่ใช่ไหมหูมันเป็นกายมันก็เป็นรูปแล้วก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในนี้หมด<ช>อา้าวเราให้คุณสมาธิลึกลงไปลึกลงไปจนถึงเป็นขั้นที่ไม่มีความคิดไม่ได้คิดตามไม่ได้ใคร่ครวนตามรับรู้และฟังแล้วก็ผ่านไปเลยอย่างเงี้ย ตรงนั้นก็เป็นสมาธิชนิดที่ยังมีกายอยู่แต่ยังได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่สัญญาก็ยังมีสัญญาในความที่เป็นสมาธินะสังขารนีมันก็ยังมีจิตที่ต้องไปมีสภาวะที่จะไปรับรู้รับทราบในการรับรู้รับทราบนั้นก็เป็นวิญญาณเป็นสังขารนะแล้วก็รูปก็ยังมีเพราะว่าเรายังมีกายเราได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นอะไรเจ้าค่ะอ่าถัดไปท่านเลยทะลุไปนี่คือก็เรียกว่ายังมีสังขาทั้ง5้าอยู่อย่างครบถ้วนนะท่าเลยทะลุลึกขึ้นไปอีก ก็คือข้ามร่วงสิ่งที่หยาบๆยาบเป็นกายเป็นต้นนะไปถึงความว่างไปถึงวิญญาณพวกนั้นเป็นอรูปสัญญาสมาบัติพระพุทธเจ้าบอกว่าก็ยังมีขันสอย่างทำงานอยู่ก็นะคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณไม่มีรูปละรูปดับหายไปนะการ <Okay. S 1> รับรู้ในเรื่องเสียงในเรื่องกลิ่นพวกนี้ดับไปแล้วดับไปแล้วนะก็คือ ตรงนี้เป็นลักษณะไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นอะไรทั้งสิ้นใช่ตรงนี้เป็นลักษณ ะ, ะที่เขาจะคือบางคนเข้าใจสภาวะนี้ว่าเป็นอัปนาสมาธิแต่อาจารอยากจะอธิบายถึงความที่สมาธิแม้ตรงนี้ก็ตามที่เป็นขั้นอรูปเป็นขั้นอรู ป, ปรชาติเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นบาฐานในการทาวิปัสสนาได้ดหรือแม้แต่สูงขึ้นไปนะไอส้สีขั้นที่เป็นอรูปเนี่ยรูปไม่มีแล้วนะรูปไม่มีแล้วเวทนาสัญ ญ, ญาสังขารวิ ญ, ญญาณมีอยู่สูงขึ้นไปกว่านั้นเวทนากับสัญญาก็ดับไปด้วย เนื่อเหลือแต่วิญญาณกับสังขารนี่คือขั้นที่เรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธในคือขั้นที่เก้านะทีนี้ไม่ว่าจะขั้นงไหนใช่ใช่ขั้นที่เก้านี่ขั้นสูงสุดไม่ว่าจะขั้นไหนจากขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่เก้านี้นะก็สามารถเป็นบาดฐานในการวิปัสสนาได้เป็นบาดฐานาในการ <Tribe S 1> ที่จะก้าวลงสู่นิพพานได้เป็นบาดฐานได้บทเพลงฉะนัที่พระพุทธเจ้าใช้นั่นคือ ใช้คําว่าเป็นบาตรฐานในการที่จะให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสว า, าได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่ า, เ, าเราจะทํำยังไงเพราะว่าบางคนคิดว่าสมาธิเลือยเกินไปก็กลับไม่ดีแต่ในสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่เคยตําหนิสมาธิแม้แต่ขั้นเดียวนะดีก็ดีแตนะทุกขั้นดีหมดไม่ว่าจะเป็นขั้นที่ถ้าคุณทําได้ตื้นๆก็ดีถ้าคุณทําได้ลึกซึ้งออกก็ดีแตนะ่คือดีหมดแล้วถ้ามันจะออกมาจากเรื่องของการพยาบาทเบียดเบียน แตน่นก็เป็นความละเอียดความลึกซึ้งเป็นคุณธรรมของท่านผู้นั้นผู้นั้นที่จะทําได้ความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันแต่แต่ทั้งหมดนั้นเราสามารถที่จะเป็นบาฐานในการที่ทำอาสวะให้สิ้นได้ทั้งสิน้นค่ะพระอาจารย์เจ้าคขะคุณปรีชาถามมาว่าถ้าเผื่อจิตมาทําสมาธิมานิ่งอยู่ที่อัปปนาสมาธิแล้วนะเจ้าค่ะจะทําอย่างไรต่อไปดีเจ้าค่ะอันนี้คือคือตรงนี้เราเข้าใจกันแล้วนะว่าไม่ว่าจะเป็นคําว่า คณิกะอุปจาระหรืออปนากติตก็ตามเถอะนะเราทําความเข้าใจใหม่ในเรื่องของสมาธิเก้าข <ays translation> ั้นตรงนี้แต่พอเราทำความความเข้าใจในเรื่องสมาธิเก้าขั้นตรงนี้แล้วแต่บางทีเราก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปบางทีเราก็มีส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับรูปแต่ว่าไม่ว่าจะขั้นไหนในเก้าขั้นนี้สามารถเป็นบาดฐานในการที่จะเข้าลงสุนิพันเป็นบาดฐานในการที่จะทําอัศวะให้สิ้นได้นะครับคำถามตรงนี้ถามใหม่ดีกว่าว่าเอ้ยถ้าเรามีสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนก็ตาม เราจะทํายังไงให้สมาธิที่เรามีเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนสามวกแต่ละท่านที่มีความสามารถด้านสมาธิไม่เท่ากันไม่เท่ากันเนี่ยให้เข้าถึงความสิ้นอศวาได้ให้เป็นบาดฐานในการทําวิปัสสนาได้ให้เป็นการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงได้พุทธเจ้าอธิบายไว้ตรงนี้คุณเดินใ จ, จเป็นพุทธพจน์อาจาบาจะอ่านพุทธพจน์ตรงนี้ให้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอเนี่ยที่อยู่ในธรรมเหล่านั้นคือสมาธิไม่ว่าจะขั้นไหนก็ตามนะให้เห็นซึ่งธรรมเหล่านั้น ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาภาษเป็นดังของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนดํารงจิตด้วยลักษณะนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นประนีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง เป็นที่สิ้นไปเห็นตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นความดับเย็นถ้าทำอย่างนี้แล้วจะถึงความสิ้นอาสวะได้อที่พูดมาตะกเี้หมายความว่างไงก็คือหมายความว่าอ่ให้เราเห็นสมาธิที่เราอยู่แม้นั้นเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงต่อให้มันนิ่งแน่วแน่ขนาดไหนก็ตามเถอะมันไม่เที่ยงมันมีที่ระงับไปกว่านี้อืมเพื่อให้น้อมจิตไปสู่ความที่มันจะระงับละเอียดประเนีตลงไปกว่านั้นลงไปกว่านั้น ให้น้อมจิตไปสู่สภาวะที่ให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยู่นะตอนนั้นเนี่ยมีปกติเสียแทงเป็นความไม่เที่ยงในมีความแตกสลายเปลี่ยนแปลงไปได้นีมันก็เห็นอาภาระตรงนี้มันก็จะน้อมจิตลงไปที่ะละเอียดลึกซึ่งยิ่งขึ้นไปการที่เราจริตเราเนี่ยน้อมไปสู่ความที่มันจะระงับลงประณีตลงละเอียดลงเป็นที่จะมีความดับเย็นเป็นที่ไปที่ความดับตรงเนี้ยสภาวะนี้เนี่ยคือ คือทิฏฐิที่เราไปตามทางเนะี่ยไปตามทางคือสัมมาทิฏฐิไปตามมรรคแปดเนะี่ยเราทําจิตเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยไม่ว่าจะสมาธิขั้นไหนนะีสมาธินั่นก็จะค่อยละเอียดลงละเอียดลงไปเนะ่ถึงจุดที่ว่ามันก็ค่อยดับไปดับไปในะสิ่งที่ห ย, ยาบๆก็ให้ดับไปดับไปแนะี่เราก็จะเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้เห็นขึ้นเห็นขึ้น จิตใจเราก็จะมีความชัดเจนมีวิปัสนาตรงนี้เป็นวิปัสนาโดยที่ไม่ได้ต้องมีคําพูดไม่ต้องเห็นกายเป็นของเน่าเปื่อยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาห้าบนบริกรรมใดๆนะคือไม่ใช่องั้นแล้วเป็นเรื่องที่ละเอียดลงไปกว่านั้นล่ะแต่เป็นวิปัสนาอยู่ในตัวอืมเจ้าค่ะก็คือจากขั้นที่เวลาเราเข้าสมาธิอนิยมเอาจับตัวเองเป็นที่ตั้งนะเจ้าค่ะจากประสบการณ์จริงก็คือเดี๋ยวนี้เวลาโยมเข้าสมาธิเนี่ย ก็จะจิตนิ่งไปเฉยๆเลวเจ้าค่ะเงียบไปเลยแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแต่ไม่ได้หลับนะเจ้าค่ะจะนิ่งเงียบไปเฉยๆเนี่ยต่อจากนี้ก็ก็คือเอจะทําอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะหรือจิตมันจะไปทางไหนต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ถามว่านิ่งเงียบไปเนี่ยมันจะมีอยู่อยู่สองลักษณะเดี๋คือนิ่งเงียบโดยเห็นที่ว่าความนิ่งเงียบเนี่ยเป็นตัวเราของเราแต่ถ้าความนิ่งเงียบนี้เป็นตัวเราของเราอันนี้คือลักษณะนึง จะเห็นว่าความนิ่งเงียบนิ่งๆเนี่ยเล็งเห็นอยู่ว่ามันมันไม่เที่ยงมันมีของที่เป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันมีปัจจัยหน้ามันถึงมีความเงียบเงียบนิ่งๆอย่างนี้ได้อนี่คือเห็นในลักษณะที่สองซึ่งเห็นในลักษณะที่สองนี่แหละเป็นการที่เราเตรียมจิตให้มันถูกต้องออืเจ้าค่ะเตรียมจิตในการที่เห็นว่าแม้สมาธินั้นทำนั้นเนี่ยมีความไม่เที่ยงเจ้าค่ะมีความไม่เที่ยงแล้วที่ละเอียดระงับระหนี่กว่านี้มีไหมมี น, น, น้อมจีบไปตรงนั้นเจ้าค่ะการที่น้อมจีบไปตรงเนี้ยหมายความว่าคือไม่ใช่บังคับไปนะคือการน้อมไปกับการบังคับไปไม่เหมือนกันเจ้าค่ะการบังคับไปก็คือแบบบังคับคู่ เ, เกณเอาแต่การน้อมไปเนี่ยก็คือการที่เราเห็นโทษของสิ่งที่มันที่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงอ่ะทีนี้บ้าถ้าเรายังไม่เห็นโทษของมันที่แท้จริงว่าเอาใช่อยู่ฉันก็เข้าใจอยู่ว่านี่เป็นของเหตุปัจเจ้าปรุงแตง่งเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่ายังยังไม่ได้เห็นโทษมันจริงจริงยังไม่ได้เข้าใจ จะพูดยังไงดีเรยังไม่ได้เห็นโทษมันจริงๆแจ่มแจ้งนะัจนกระทั่งเบื่อหน่ายเราก็วางมันจะ้ะในการากที่วางาตรงนี้ไปได้แล้วเราก็น้อมจิตไปอันที่มันละเอียดขึ้นเนี่ยนี่ก็ลักษณะการที่น้อมไปเจา้าค่ะน้อมไปทีนี้โยมก็จากจุดนี้ก็คือโยมนิ่งๆไปนี่ก็ขอให้คงความนิ่งนี้ต่อไปถูกไหมเจา้าคะเราก็เห็นความนิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอืมเจ้าค่ะเข้าใจความนิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งมาก่อนมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเกิดขึ้นเอง หรื อ, อว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุปัจจัยแต่มันมีเหตุของความที่มันนิ่งอยู่นี้เอถ้ามันมีเหตุของความนิ่งแสดงว่าความนิ่งนี้ต้องดับไปได้เจ้าค่ะดูให้มันดีๆมันจะดับไปเมื่อไหร่หรือให้เข้าใจให้ถูกว่าสิ่งนี้ดับได้แน่นอนเจ้าแล้วเห็นอาพาธของมันนะคือเห็นตอนที่ความนิ่งเนี่ยมันดับไปใช่ว่าตอนอปเรามีความคิดแรกโผล่ขึ้นมาพวกเนี้ยอาความนิ่งดับไปแล้วเพราะไม่อ <cubes Porsche S 2> เอาหรอกอันเนี้ยเราก็จะน้อมจิตไปที่มันลึกกวออ่านี้ได้อืมเจ้าค่ะ ก็คือตั้งตั้งจิตไว้แบบนั้นนะเจ้าค่ะาก็จะเกิดปัญญาขึ้นถูกต้องอันนี้แหละคือเป็นบาทฐานในการที่สมาธิขั้นนั้นๆน่ะจะเป็นไปเพื่อความให้ถึงความสิ้นอาสวาได้เจ้าค่ะดำรงอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเจ้าค่ะทีนี้มีตอนที่เวลาเข้าคอสนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยตำหนิหลายคนว่าพอมองไปเนี่ยพอบอกอ้าวจบสมาธิระคังเกงเนี่ย ลืมตาปั๊บเลยพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้เนี่ยที่จริงแล้วที่ถูกแล้วคือต้องต้องทายังไงเจ้าค่ะตอนที่เราค่อยๆผ่อนจิตออกจากสมาธิเนี่ยที่ถูกที่ควรแล้วควรจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าตั้งจิตว่าโอ้แบบอยากจะออกเต็มที่แล้วพอเก้งลืมตาเลยอะไรอย้มไปเลยอย่างงี้นะอ่าเจ้าค่ะพระอาจารย์แนะนําด้วยเจ้าค่ะก็คือว่าให้ให้ทําความรู้สึกกับกายก่อนเจ้าค่ะเนื่องจาะว่าสมาธิเป็นเรื่องของจิตบางทีเราข้ามล่วงกายบางอย่างไป เราก็ค่อยๆทำความรู้สึกทางกายว่าไอ้แขนขาเราอยู่ตรงไหนขยับนิดๆหน่อยๆถ้าห้องเปิดแอร์หรือร้อนหรือเย็นแล้วก็มาทําความรู้สึกถึงอุณหภูมิในห้องอ ม, มาทำความรู้สึกถึงน้ําหนักของตัวเองที่ตั้งอยู่แล้วก็ค่อยๆลืมตาช้าๆแล้วก็ขยับตัวนิดๆหน่อยๆแล้วค่อยลุกขึ้นอย่างงี้ทั้งหมดขั้นตอนที่อธิบายนี้ต้องมีสติสัมัญญาตลอดต้องมีสติอยู่ตลอดค่อออออถนนนจิตกมาั้คีือลักษณะเบื้้องตนว่า เราเป็นผู้ฉลาดในการออกจากท่าทางการนั่งสมาธิเนี่ยนะท่าทางการนั่งสมาธิคุณค่อยๆ อ, ออกมานะ<ช>แต่ว่าใจคุณออกหรือยังอันนี้ถ้าคนทำด้วยความละเอียดรอบครอบได้ใจเขาอาจจะยังอยู่ในสมาธิแต่ท่าทางเขาเปลี่ยนไปอันนี้เ ข, เขาทำได้แต่วก็ ม, มีความชำนาญ อืมเจ้าค่ะทีนี้อาโยมถามต่ออีกนิดนึงนะเจ้าคะก็คือโยมได้ยินแหละว่าพระอาจารย์บอกว่าให้ไปทุกคนไปเดินจงกรมหรืออะไรก็ได้แบบหรืออยู่ในสมาธิต่อไปอย่างเงี้ยเจ้าคะโยมได้ยินตรงนี้แต่ว่าแล้วโยมก็นั่งต่อเลยแล้วมันก็นิ่งเหมือนเดิมอย่างนี้เนี่ยหมายถึงสภาวะจิตเราเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์ก็คือยังได้ยินเสียงแต่ว่าเสียงนั้นไม่มากวนเพราะว่าบางทีคนออกไปก็มีลมจากคนเข้าคนออกใช่ไหมทำเสียงบ้างอะไรบ้าง แต่เรา <olm. S 2> ไม่รู้สึกว่าอันนี้เป็นกวนเราคือมัน <objectively> มันไม่เป็นเส้นหนามเจ้าค่ะ เ, เสียงไม่เป็นเส้นหนามแต่อคนที่ได้สมาธิแล้วอ <uri caffeine S 2> <Forever. S 3> ได้สมาธิที่เป็นขั้นเป็นขั้นไปเนี่ยเสียงมันจะไม่มาเป็ น, นเส้นหนามแล้วโอ้เจ้าค่ะคื อ, ค, อคือไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินได้ยินอยู่แต่<ด>แ ว, ว่ามันไม่กวนใจเราเจ้าค่ะแต่มันก็ยากออกมันไปความคิดก็เหมือนกันความคิดก็มีอยู่แต่ว่ามันมันไม่กวนใจเรามันก็ยากออกมันไปเจ้าค่ะเวทนามีไหมก็มีอยู่แต่มันไม่กวนใจเรามันก็แยากออกมันไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเป็นลักษณะนั้นอันนี้คือเป็นสมาธทีีี่ดดแลล้วมากเย แล้วเราต้องพยายามทำให้ละเอียดต่อไป<ด>ก็จะเกิดปัญญาซึ่อย่า ง, งที่ประอาจารย์แนะนำนะเจ้าค่ะโดยการที่เห็นว่าสมาธิแม้นั้นเนี่ยตั้งใจจ่อไว้ให้ดีเห็นให้ถูกต้องว่ามันก็ไม่เที่ยมมันเป็นของที่มีเหตุปัจจัยปรุงต่งนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะเช้าวันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นเช้าที่เราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิจากพระอาจารย์พระมหาไพบูล์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมาราปุลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดีมากเลยนะค ะ, ะสําหรับในเช้าวันนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังได้รับประโยชน์แล้วก็คงจ ะ, ะนําไปปฏิบัตินะคะก็จะทําให้เรานั้นเดิน ทางไปในทางที่ถูกที่ควรและอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดนะคะว่าให้เราพึง ระลึกมีสติอยู่เสมอว่าชีวิตเรานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงดังนั้นถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เริ่มปฏิบัติตามทางที่องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะแล้วเนี่ยเราต้องไปดีแน่นอนแม้ว่าเราจะละสังขารเราไปจากโลกนี้แล้วก็ตามนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะคงต้องนําท่านผู้ฟังทางบ้านกราบน้มัสการขอพระคุณและกราบน้ำมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูรณ์อภิบุนโนแห่งวัดป่าดอนหายโศก ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหศก์อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูญหรือภิปุโนในรายการธรมรมารบรูลเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งท่านก็จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษมาเสนอให้ท่านฟังได้รับฟังกันเป็นลําดับแตกต่างกันไปตลอดสัปดาห์แล้วเสาร์อาทิตย์หน้าเรากลับมาพบในช่วงของการจักกัจฉาเหมือนเคยนะคะกราบขอพระกรุณะกราบนมัสการลาเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขะเรียนผ่านสาธุเจ้าค่ะ